สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นสุดท้ายของการมีชีวิตที่เชื่อมโยงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับการมีชีวิตที่เชื่อมโยงกับองค์เจ้านั้นทําให้เราเกิดผลมากซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมย่อนบทที่15นะครับข้อที่1ถึงข้อที่11พี่น้องครับ ถ้าเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้าข้อหนถึงข้อสินั้นในวันนี้เกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันระหว่างต้นองุฑุหรือเทาอางุฑุกับแขนงนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทวอางุฑุและแขนงนั้นจึงอยากจะอัญเชิญพระวจนะของพระเจ้ามาอา่านให้พี่น้องฟัง11ข้อ โปรดฟังพชนะของพระเจ้าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแรลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระเจ้าก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขแขนจะออกผลเองไม่ได้เนื่องจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาองุญท่านทั้งหลายเป็นขแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลย ถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขแขนงและก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระวิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเรา พระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพี่น้องครับผมเชื่อแน่ว่าเราทั้งหลายแต่ละคนแต่ละท่านซึ่งเป็นผู้เชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้านั้นก็จะได้เคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หลายท่านคงได้เคยฟังคําเทศนาหลายท่านอ่านมาแล้วเป็น10บๆรอบนะหลาย10รอบบางคนอาจจะเป็นร้อยรอบพี่น้องครับความจริงในพระชนะพระเจ้าตอนนี้ท่านศาสตราจารย์ ด, ดรฟิลิปเทงนั้น ท่านเห็นว่ามีความเกี่ยวโยงกันระหว่างเท้าอางุ่นก็คือองค์พระเยสุคริสกับขนแหนงก็คือพวกเรานั่นเองมีความเกี่ยวโยงกันถึง4ประการครับและยิ่งไปกว่านั้นเราพบว่าการเกี่ยวโยงกันหรือคําว่าติดสนิทหรือคําว่าในเรานะครับ11ข้อนี้มีปรากฏถึง12ครั้งด้วยกันคําว่าในเราเพราะฉะนั้นแสดงว่าขนแหนงกับต้นองุ่นนั้นขนแหนงกับเท้าอางุ่นนั้น ต้องติดสนิทกันอย่างดีครับนะครับเพราะนั้นเมื่อมีความเกี่ยวโยงกันครับก็จะมีกระแสไหลต่อเนื่องกันครับ4ประการดังต่อไปนี้ประการแรกครับเป็นกระแสร่วมกันในพลังในสายพลังพระเยซูตัดสองครั้งครับว่าขนแขนงที่ไม่อยู่ในเราไม่สามารถเกิดผลได้ไม่สามารถออกผลได้ ในข้อที่4และข้อที่5นะครับข้อที่4และข้อที่5้ที่กล่าวอย่างนี้ครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิท อ, อยู่ในท่านแขนจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเทาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นพี่น้องครับการเกิดผลที่แท้นะครับเกิดผลจริงๆนะครับจะต้อง มีกระแส ร, ร่วมกันในสายพลังนี้ก็คือต้องเข้าสนิทอยู่ในองค์พระเยซูเจ้าพี่น้องครับพระกัมพีตอนนี้บอกชัดเจนนะครับว่านอกจากจะเราจะเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูเท่านั้นเราถึงจะเกิดผลถ้านอกจากจะติดอยู่กับเถาชันใดท่านหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราชันนั้นพี่น้องครับเป็นคำสั่งครับว่าให้เราเข้าสนิทอยู่ในองค์พระเยซูคริส เมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราก็จะเกิดผลมากหากใครก็ตามที่ไม่เข้าสนิทในทางกลับกันครับผลนั้นก็เป็นผลที่ไม่ยั่งยืนหากเกิดผลเป็นผลที่ไม่แท้ครับพี่น้องน่าสนใจนะครับพระคัมภีร์พูดต่อไปนะครับว่านอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นถาวงุ่นททั้งหลายเป็นขแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยคนที่จะเกิดผลมากนะครับเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูมากพี่น้องครับและเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูมากพระเยซูก็เข้าสนิทอยู่ในเรามากมันถึงจะเกิดผลแล้วพระเยซูบอกความจริงถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยนั่นคือพระเยซูปเป็นแหล่งแห่งพลังครับเราจะต้องดูดเอาพลังริตธานุภาพของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและเราจะเกิดผลท่านาศาสตาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นเขียนว่างหลายปีก่อนข้าพเจ้ามีโอกาสไปเทศนาอนุชน ในครสอจักรฮ่องกงแห่งหนึ่งมีพี่น้องศัตรีคนหนึ่งลุกขึ้นมาเป็นพยานเธอเป็นพยาบาลทํางานในโรงพยาบาลคริสเตียนแห่งหนึ่งมีงานมากมายเหลือเกินก็เลยมีความเครียดแล้วก็อารมณ์เสียใส่คนไข้เมื่อทําไปแล้วก็เสียใจมากครับเพราะเธอคิดว่าคนไข้เหล่านี้ต้องการความรักของพระเยซูคริสต์และความรักของพระคริสต์นั้นจะสำแดงออกมาได้ก็จากคริสเตียนเท่านั้น เมื่อตัวเองมีอารมณ์ใส่คนไข้แล้วคนไข้จะรู้สึกจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือความรักของพระเยซูหลังจากที่เธอรู้สึกเสียใจแล้วเธอก็เป็นอย่างเดิมอีกเป็นแบบนี้วนไปเวียนมาอยู่เรื่อยๆไม่สามารถดีขึ้นได้จนกระทั่งมีวันหนึ่งครับเธอมีโอกาสรับฟังคำเทศนาจากผู้รับใช้ท่านหนึ่งเรื่องแนงออกผลเองไม่ได้วันรุ่งขึ้น ก่อนออกไปทํางานเธอคุกเข่ า, าลงอธิษฐานพระเจ้าครับอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพระองค์ไม่มีความรักแต่พระองค์ทรงมีความรักฉะนั้นขอพระองค์ทรงเติมเต็มความรักเข้าไปในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะสำแดงความรักแห้คนไข้เหล่านี้ได้ในที่สุดวันนั้นครับเธอมีประสบการณ์ใหม่เธอสามารถปฏิบัติรับใช้คนไข้ด้วยความ สุภาพท่อมใจจิตใจของเธอนั่นก็เต็มไปด้วยความปิีติยินดีเธอเริ่มอธิษฐานแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเธอร่วมอยู่ในกระแสอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ติดสนิทกับพระองค์ครับทำให้เกิดผลแห่งความสุภาพอ่อนโยนเกิดผลแห่งความรักพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงจริงเมื่อเราเชื่อมต่อ เมื่อเราขอให้พระเยซูได้ทรงทายทอดสายทานแห่งฤทธานุภาพสายทานแห่งพลังเชื่อมต่อเข้าไปเพื่อที่พลังอํานาจฤทธิเดชของพระเยซูจะเข้ามาอยู่ในเราเมเา่เมื่อไรก็ตามที่เราอธิษฐานทูลขอในการทําสิ่งที่อยู่ในน้ําัตไทยของพระเจ้าแล้วแล้วก็พี่น้องครับพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเราผมอัน ขอเป็นพยานส่วนตัวครับเมื่อขอให้ความถ่อมใจเกิดขึ้นจากพระเยซูความถ่อมใจและความรู้สึกที่เราเองนั้นจะพึ่งชีวิตพึ่งกำลังของเราพึ่งประสบการณ์ของเราไม่ได้เราต้องถ่อมใจถ่อมใจพึ่งพาอํานาจพึ่งพาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าครับแต่เมื่อเราถ่อมใจเราถ่อมตัวหาคนอื่น งานต่างๆเหล่านี้ที่พระเจ้ามอบหมายกับเรานั้นก็สาเร็จแล้วเริ่มมีมิติใหม่ปรากฏขึ้นครับก็คือมิติแห่งความร่วมมือร่วมใจกันพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะถ่อมใจเราลงในการที่เราจะยอมรับเอาพลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูในประเด็นย่อยๆที่เหลืออยู่นะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน